วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่23เมษายนพุทธศักราช2566เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษามาเรียนรู้วิธีที่จะทำให้เราอยู่กันอย่างสุข ก, กายสบายใจ เพราะการที่เราจะอยู่กันได้อย่างสุขกายสบายใจเราก็ต้องมีเครื่องบำรุงรักษากายและเครื่องบำรุงรักษาใจนั่นเองเพราะร่างกายและใจนี้จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องดูแลร่างกายและเครื่องดูแลจิตใจร่างกายถึงจะสุขและใจถึงจะสบายได้ พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ว่าร่างกายนี้จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายก็ต้องมีปัจจัยสี่เป็นเครื่องเลี้ยงดูรักษาถ้าขาดปัจจัยสี่ร่างกายก็จะต้องเกิดอาการอาพาธเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเกิดอาการตายขึ้นมาได้นั่นเองร่างกาย ถ้าจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายก็ยจำเป็นจะต้องมีปัจจัยสี่ปัจจัยสี่ของร่างกายคืออะไรคือหนึ่งอาหารไว้สำหรับเลี้ยงดูดับความหิวของร่างกายเครื่องนุ่งห่มไว้สำหรับหุ่มห่อร่างกายป้องกันภัยจากแมลงสัตว์มแมลงสัตว์กัดต่อย ต้องการภัยจากอากาศที่หนาวเย็นแล้วก็ต้องการที่อยู่อาศัยเพื่อหลบแดดหลบฝนหลบภั ย, ภยต่างๆและสี่ต้องการยารักษาโรคไว้รักษาโรคภัยไข้เจ็บเวลาที่เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาถ้าร่างกายมีปัจจัยสี่คือมีอาหาร มีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคครบต่อความต้องการของร่างกายร่างกายก็จะอยู่ไปได้อย่างสุขอย่างสบายแต่การที่จะทำให้การเลี้ยงดูร่างกายนี้ไม่ไปทำให้เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจแก่จิตใจ ก็ต้อง ก, ก็ต้องเลี้ยงดูร่างกายแบบมากน้อยสันโดษคือไม่ต้องให้ร่างกายไม่ต้องให้ปัจจัยสี่แก่ร่างกายมากเกินไปมากเกินไปก็เกิดโทษกับร่างกายและกเกิดโทษกับจิตใจได้เช่นอาหารถ้ารับประทานมากเกินไปก็อาจจะทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บทางร่างกายเช่นเกิด โรคไขมันไขมันอุดตันเกิดโรคเบาหวานเกิดโรคความดันต่างๆขึ้นมาซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากการรับประทานอาหารมากเกินไปนั่นเองแล้วก็จะทำให้เกิดปัญหากระทางใจได้เพราะใจก็จะทุกข์ไปกับโครคภัยไข้เจ็บที่ไม่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นกับร่างกาย อันนี้ถ้าบริภโภคอาหารมากเกินไปก็เกิดโทษกับร่างกายและเกิดโทษกับจิตใจได้เช่นเดียวกับถ้ารับประทานอาหารน้อยเกินไปร่างกายก็จะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดการขาดสารอาหารต่างๆขึ้นมาก็ได้ทาให้ร่างกาย <c oughs> ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไม่มีสุขภาพที่แข็งแรงก็ อาจจะทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายแล้ถึงความตายได้อันนี้ก็จะทำให้เกิดความทุกข์ทางกายและเกิดความทุกข์ทางใจได้เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ชาวพุทธเหล่านี้ใช้บริโภคปัจจัยสี่โดยหลักให้ยึดหลักมักน้อยสันโดษเอาเท่าที่จำเป็นมักน้อยนี่คือไม่เอามากเกินไป ทำเท่าที่จำเป็นและไม่จำเป็นจะต้องเป็นของที่มีราคาแพงๆของหรูหรา mm hmm. เพราะว่าของราคาแพงๆหรือของหรูหรามันก็ทำหน้าที่ได้เท่าเทียมกับของที่ไม่ใช่หรูหราหรือของแพงๆนั่นเองฉั mm hmm. นั้นเราต้องระมัดระวังการบริโภคปัจจัยสี่อย่าไปบริโภคด้วยการ บริโภคของแพงๆของหรูหราเพราะว่ามันจะไปกดดันทางด้านจิตใจอาจจะทำให้จิตใจเครียดขึ้นมาเนื่องจากว่าจิตใจจำเป็นจะต้องเดินลนหาเงินหาทองมาเลี้ยงร่างกายเพิ่มมากขึ้นโดยไม่จำเป็นนั่นเองอร่างกายอาจจะอยู่ได้มื้อละห0บาทร้อยบาท แต่ถ้าเราไปเลี้ยงร่างกายมือ 500, ม้อละห้าร้อยมื้อละพันมันก็จะไปบังคับให้จิตใจต้องไปเครียดกับการหาเงินหาทองเราอาจจะมีความสุขกายแต่เราอาจจะสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวเพราะว่าการใช้ของแพงๆใช้ของหรูหรา this จำเป็นจะต้องใช้เงินทองมากขึ้นโดยไม่จำเป็นทำให้ ใจนี้ทุกข์แทนที่ใจจะสุขใจจะสบายใจก็เลยต้องมาทุกข์กับการเลี้ยงดูร่างกายด้วยการหาของหรูหราของราคาแพงๆมาเลี้ยงดูร่างกายนอกจากอาหารแล้วเครื่องนุ่งห่มก็เช่นเดียวกันที่อยู่อาศัยก็เช่นเดียวกันยารักษาโรคก็เช่นเดียวกัน ปัจจัยสี่นี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นของหรูหราที่ของที่มีราคาแพงๆถึงจะทำหน้าที่เลี้ยงดูร่างกายให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายได้ <c oughs> ปัจจัยสี่แบบมากน้อยสันโดษนี้ <c oughs> ก็เลี้ยงดูร่างกายได้ <c oughs> เพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงพิสูจน์ด้วยพระองค์เองมาแล้วและทรงนามามาสอนพระภิกษุที่บวชในพระพุทธศาสนา ทรงสอนให้ใช้หลักมากน้อยสันโดษในการบริโภคปัจจัย4เช่นอาหารก็ให้ฉันวันละมื้อก็พอแล้วก็ไม่ต้องเลือกเค้นอาหารก็ต้องเป็นอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ให้ไปรับอาหารจากการบินทบาตได้อาหารชนิดไหนจะถูกปากหรือไม่ถูกปากก็ไม่สําคัญ เพราะอาหารถูกปากหรือไม่ถูกปากมันก็ทําหน้าที่ของอาหารได้เท่าเทียมกันหน้าที่ของอาหารก็มีไว้เพื่อดับความหิวของร่างกายแล้วก็ป้องกันไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเนื่องจากการขาดอาหารท่า น, นั้นเองพระพุทธเจ้าได้ทรงพิสูจน์มาแล้วว่าการบริโภคอาหารบริโภคปัจจัยสี่โดยักใช้หลักมากน้อยสันโดษนี้ เป็นวิธีที่จะไม่ไปสร้างความทุกข์ให้กับทางจิตใจนั่นเองจิตใจจะสบายเพราะจิตใจนี้ไม่เครียดกับการที่จะต้องไปหาอาหารชนิดนั้นอาหารชนิดนี้เนเพราะว่าสามารถรับประทานอาหารได้ทุกชนิดยินดีตามมีตามเกิดแปลว่าสันโดรานักน้อยแปลว่าไม่ให้มากเกินไป เอาพอดีกับความต้องการของร่างกายเจ่นอาหารจะรับประทานวันละหนึ่งครั้งก็พอแล้วถ้าต้องการลดภาระในการเลี้ยงดูร่างกายเกี่ยวกับเรื่องอาหารก็ให้ใช้ภาชนะไว้ฉันภาชนะเดียวก็คือบาดนี่เองบาตใบเดียวนี้ทำหน้าที่ได้หลายอย่างบาดนี้เป็นทำหน้าที่ไปรับอาหารจากศรัทธายาโย ที่มีความเมตตามีศรัทธาใส่บาตรให้ใส่อาหารมาในบาตรแล้วก็ให้เอาอาหารที่ได้มาจากจากบิณบาตนี้จัดใส่ไปในบาตรไว้ฉันไม่จำเป็นจะต้องมีสำรับไม่ต้องมีช้อนมีจานมีชามอะไรมาเพราะเป็นการสร้างภาระให้แก่จิตใจเพราะจิตใจจะต้องมาคอยทําความสะอาดภาชนะในการใช้ในการขบฉันอีก เลยให้ใช้บาทนี้เป็นภาชนะในการขบฉันเรียกว่าฉันในบาทพระเจ้าสอนพระให้อยู่กันแบบสัโดุเพื่อจะได้ไม่มาสร้างภาระขึ้นทางด้านจิตใจนั่นเองใช้น้อยๆกินน้อยๆอยู่แบบง่ายๆนี้มันเป็นเป็นการช่วยทำให้จิตใจไม่ต้องมาทุกข์มากังวลกับเรื่องของการเลี้ยงดูร่างกายนั่นเอง จะได้อยู่อย่างสบายไปพร้อมๆกับความสบายของร่างกายอย่าไปเลี้ยงดูร่างกายแบบทําให้ใจจะต้องมาเครียดมาทุกข์มาวุ่นวายกับการเลี้ยงดูร่างกายอันนี้จะทําให้ได้ความสุขกายแต่จะทําให้ได้ความทุกข์ความกังวลใจตามมาดันั้นต้องเลี้ยงดูร่างกายแบบมากน้อยสันโดษอาหารก็กินน้อย วันละมื้อก็พอถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นจะต้องกินอาหารมากมแล้วก็กินในภาชนะเดียวก็พ อ, อถ้าเป็นญาติโยมก็เอาชามใหญ่ๆมาสักใบหนึ่งเอาอาหารข้าวหวานใส่ไปในชา ม, มแล้วก็กินใช้ภาชนะใบเดียวเวลากินเสร็จจะได้ล้างง่ายๆล้างแป๊บเดียวก็เสร็จจานใบเดียวช้อนใบเดียวมไม่ต้องยุย่งยากไม่ต้องวุ่นวายกับการล้างถ้วยล้างชาม เครื่องเครื่องนุ่งห่มก็ให้มีไว้พอประมาณต่อความต้องการของร่างกายสําหรับพระภิกษุ์พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้ใช้ผ้าสามผืนก็พอผ้าหนึ่งผ้าไตรจีวรนไตรแปลว่าแปลว่าสมจีวรแปลว่าผ้าผ้านุ่งห่มก็มีสามผืนผ้านุ่งผ้าห่มแล้วก็ผ้าผ้าห่มสองชั้นไว้ห่มกันหนาวเรียกว่าผ้าสังคติ ทั้งนี้ก็พอสำหรับเครื่องนุ่งห่มของพระภิกษุมีมากก็ต้องมาดูแลรักษามากต้องคอยซักมากมีแค่ชุดเดียวก็สบายไม่ต้องมาคอยเป็นภาระแล้วเวลาเดินทางไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องทุกข์ยากลำบากกับขนข้าวของไปทรานนี้ส่วนใหญ่ท่านในสมัยพุทธกาลจะเป็นพระทุดงท่านจะจาลึกไปตามป่าตามเขา ไปทำสถานที่สงบสงัดวิเวกเพื่อไปสร้างความสุขทางใจท่านยังเลยไม่ต้องการให้การเลี้ยงดูร่างกายนี้มาเป็นอุปสรรคต่อการไปสร้างความสุขทางใจท่านก็เลยต้องอยู่แบบมากน้อยสันโดษผ้าก็เอาผ้าแบบหนึ่งสําหรับแล้วสมัยพุทธกาลก็เอาผ้าที่เรียกว่าเป็นผ้าบางสกุลคือผ้าป่าช้าผ้าที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า คือผ้าหอ่อศพนี่เวลาต้องการจะตัดเย็บจีวรถ้าขาดไม่มีจีวรไว้สวมใส่ก็ไปเก็บผ้าหอ่อศพที่ทิ้งไว้ในในสุสานในป่าชา้าแล้วนํามาซักเอามาย้อมมาตัดเอามาเย็บเป็นจีวรเท่านั้นแหละเพราะว่าผ้าเหล่านี้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องไปหาเงินหาทองมาซื้อ ผ้าแบบนี้เพราะเป็นผ้าที่เขาทิ้งแล้วนี่คือการอยู่แบบมากน้อยสันโดษเกี่ยวกับเรื่องเครื่องนุ่งห่มของพระจะให้นิยมใช้ผ้าบางสกุลตามประวัติที่หลวงตามหาบัวเขียนถึงหลวงปู่มัน่นหลวงปู่มั่นท่านก็ยังใช้ผ้าบางสกุลอยู่ในยุค ข, ของหลวงปู่มั่นนี้ยังมีการมีผ้าบางสกุลได้ใช้อยู่ แต่ในยุคปัจจุบันนี้ไม่มีใครเขาเอาศพไปทิ้งในป่าช้าไปห่อด้วยผ้าแล้วเขาเอาไปใส่ในโรงแช่เย็นอย่างดีก็เลยนิมนต์พระพระมาชักผ้าที่บนฝาโรงแทนแต่ก็เป็นผ้าที่สำเร็จรูปผ้าที่เขาซักผ้าที่เขาตัดเขาเย็บมาอย่างดีแล้วเป็นผ้าที่ต้องเสียเงินเสียทองไปซื้อมา แต่ถ้าเป็นของที่เขาจะถวายพระก็รับมาใช้ได้แต่พ้านี้ต้องไม่เป็นคนไปขวนขวายว่าต้องการผ้าแบบนั้นผ้าแบบนี้ผ้าชนิดนั้นผ้าชนิดนี้ให้ยิน ด, ดีตามมีตามเกิดเพราะพระเป็นขอทานให้อยู่แบบขอทานเพราะการอยู่แบบขอทานได้นี้มันจะทําให้ไม่มีภาระมากต่อทางด้านจิตใจ ถ้าอยู่แบบเศรษฐีมหาราชานี้มันจะลำบากเพราะจะต้องใช้ของดีๆใช้ของแพงๆใช้ของหรูหรากันแล้วก็จะทำให้ต้องเสียเวลามากกับการที่จะไปหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกายจะเอาจะทำให้เวลาสำหรับการที่จะมาเลี้ยงดูจิตใจนี้ไม่ค่อยมีและมีน้อยลงไปไม่พอ พอกับความต้องการของการเลี้ยงดูและเลี้ยงดูจิตใจให้สุขให้สบายนั่นเองยังต้องเป็นจำจเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เวลาในการเลี้ยงดูร่างกายนี้ให้น้อยที่สุดให้น้อยที่สุดให้แต่ให้มีเท่าที่เท่าที่จำเป็นต่อความต้องการของร่างกายไม่ให้ขาดถ้าน้อยเกินไปร่างกายก็เจ็บไข้ได้ป่วยได้่คนลพิการขึ้นมาได้ แต่มากเกินไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับร่างกายแต่กลับไปเอาทำให้ต้องเสียเวลาของการไปปฏิบัติธรรมของจิตใจเพราะจะต้องเอาเวลามาเลี้ยงดูร่างกายแบบเกินความต้องการเกินความพอดีของร่างกายันนี่คือเรื่องของการเลี้ยงดูร่างกายด้วยปัจจัยสี่ขอให้เราเลี้ยงดูโดยหลัก มากน้อยสันโดษมากน้อยก็คือเอาเอาน้อยน้อยเอาเท่าที่จำเป็นเอาเท่าที่ต้องการต้องการสันโดษถ้าถ้าไม่พอก็ยินดีตามมีตามเกิดถ้าได้มาแต่ไม่พอได้มาเท่านี้เช่นบางครั้งไปบินธบะนี้อาจจะได้อาหารไม่พอก็ให้ยินดีกับสภาพที่ได้มาอาหารที่ได้มาอย่าไป โครบอยากจะได้ให้เท่าที่ร่างกายต้องการเพราะการบินทบาทบางครั้งก็ได้บ้างได้มากก็มีได้น้อยก็มีก็อย่าไปทุกข์กับมันปัญหาก็คืออย่าไปสร้างความทุกข์ให้กับใจถ้าเรายินดีตามมีตามเกิดเราก็จะไม่ทุกข์ไม่ว่าจะเป็นอาหารก็ดีเป็นเครื่องนุ่งห่มก็ดี สำหราบญาติโยมเครื่องนุ่งห่มนี้ถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมก็ไม่ต้องมีกี่ชุดมีสามสี่ชุดก็พอชุดหนึ่งไว้หม่มชุดหนึ่งไว้ซักชุดหนึ่งไว้สำรองก็ได้มีสามชุดนี้ก็พอเพียงแล้วต่อการใช้เครื่องนุ่งหม่มเลี้ยงดูร่างกายไม่ให้อัตคัดขัดสมนะที่อยู่อาศัยก็ให้อยู่ตามมีตามเกิด ในสมัยพุทธกาลพระท่านจะมักเจไปอยู่ตามโคนไม้กันไปตามไปทำเพลิงอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามป่าตามเขาเพราะในป่าในเขานี้สามารถหากิ่งไม้หาใบไม้มาบุงมาบังมาทำเป็นที่หลบแดดหลบฝนได้และในป่านี้ก็เป็นสถานที่ที่เหมาะต่อการสร้างความสุขทางด้านจิตใจด้วยเราต้องสร้างความสุขทางร่างกาย และสร้างความสุขทางจิตใจไปพร้อมๆกันอย่ามัวแต่สร้างความสุขทางร่างกายจนกระทั่งกลายเป็นแล้วก็ไปทำให้สร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะว่าเราเราต้องการความสุขทางร่างกายมากจนเกินความพอดีมันก็จะกลายเป็นการไปสร้างความทุกข์ให้กับใจได้ดันั้นเราก็ต้องระมัดระวังในการบริโภคปัจจัยสี่ ว่าอย่าไปบริโภคจนทำให้เกิดความทุกข์ความเครียดต่อทางด้านจิตใจถ้าใช้หลักบังน้อยสันโดษยินดีตามมีตามเกิดแล้วจะไม่เกิดภาวะความทุกข์ทางด้านจิตใจเกี่ยวกับเรื่องการบริโภคปัจจัยสี่ของร่างกายนี่คือการเลี้ยงดูส่วนที่เป็นร่างกายก่อนชีวิตของเรานี่มีสองส่วนด้วยกัน นอกจากร่างกายแล้วเราก็มีจิตใจด้วยและการเลี้ยงดูร่างกายกับการเลี้ยงดูจิตใจนี้ก็ไม่เหมือนกันการเลี้ยงดูร่างกายก็ต้องมีปัจจัยสี่มีอาหารที่พอเพียงมีเครื่องนุ่งหง่มมียารักษาโรคมีที่อยู่อาศัยแต่ก็ไม่ต้องหรูหราไม่ต้องใช้เป็นของราคาแพงๆขอให้เป็นใช้ประโยชน์ได้ให้เราดูประโยชน์ของการใช้สอยเป็นหลัก แล้วก็ใช้น้อยๆใช้เท่าที่จำเป็นมักน้อยหรือถ้ามักน้อยหรือถ้าหามาไม่ได้พอเท่ากับความจำเป็นก็ให้ยินดีตามมีตามเกิดได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นอยู่กับมันไปใจก็จะก็จะไม่มาทุกข์มาเครียดกับการเลี้ยงดูร่างกายอนนี้คือเรื่องของปัจจัยสี่ทางร่างกาย ที่จะเลี้ยงดูให้ร่างกายอยู่ไปอย่างปัิสุขอยู่อย่างสุขกายและสบายใจเราะจะไม่ไปสร้างความเครียดสร้างความวุ่นวายให้กับใจเกี่ยวกับเรื่องของการหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกายถ้าเรารู้จักคำว่ายินดีตามมีตามเกิดมีมากมีน้อยก็ให้ยินดีให้พอใจ ถ้าพอใจพอยินดีกับการมีมากมีน้อยใจก็จะไม่ทุกข์ใจก็จะไม่วุ่นวายกับการเลี้ยงดูร่างกายอันนี้ก็เป็นส่วนแรกของชีวิตของเราชีวิตของพวกเรานี้มีอยู่สองส่วนด้วยกันมีร่างกายแล้วเราก็ยังมีจิตใจจิตใจก็เป็นอีกอย่างหนึ่งต่างจากร่างกาย แต่จิตใจจะสุขหรือจะทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูจิตใจเหมือนกันและการเลี้ยงดูจิตใจก็เหมือนคล้ายๆกับเหมือนกับการเลี้ยงดูร่างกายเช่นเดียวกันร่างกายต้องการปัจจัยสี่เพื่อเลี้ยงดูให้ร่างกายอยู่สุขอยู่สบายจิตใจก็ต้องการปัจจัยสี่เพื่อมาเลี้ยงดูจิตใจให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายเช่นเดียวกัน แต่ปัจจัยสี่ของจิตใจนี้ไม่เหมือนกับจิตใจกับปัจจัยสี่ของร่างกาย<ม>ปัจจัยสของจิตใจนี้ต่างกัน<ม>แต่ก็เรียกว่าปัจจัยสี่ได้เหมือนกันเพราะว่าจิตใจก็ต้องการอาหารคือต้องการอาหารเพื่อให้จิตใจมีความอิ่มมีความสุขเนี<ม>่ยแล้วจิตใจก็ต้องการเสื้อผ้าภารอนไว้สวมใส่ เพื่อให้ร่างกายเพื่อจิตเพื่อให้จิตใจดูสวยงามให้จิตใจเป็นที่น่ารักน่าชื่นชมยินดีแล้วจิตใจก็ต้องมีที่อยู่อาศัยไว้หลบลบลบภัยต่างๆแล้วจิตใจก็ต้องมียารักษาโรค mm. เพื่อที่จะรักษาโรคของจิตใจร่างกายมีโรคภัยแค่เจ็บจิตใจก็มีโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกันเพียงแต่ว่า ยารักษาโรคของใจกับยารักษาโรคของร่างกายนี้คนละอย่างกันเท่านั้นเองแ ต, แต่แต่การเลี้ยงดูจิตใจก็แบบเดียวกับการเลี้ยงดูร่างกายต้องเลี้ยงดูจิตใจด้วยปัจจัยสี่จิตใจเราหิวเพราะจิตใจเราต้องการอาหารอาหารของจิตใจคืออะไรอาหารของจิตใจก็คือการทําบุญทําทานนี่อง เวลาที่เราทําบุญทําทานแล้วเราจะรู้สึกมีความสุขใจอิ่มใจนั่นแหละคือการให้อาหารกับจิตใจเวลาที่เรามีความหิวมีความต้องการมีความสุขทางด้านจิตใจอย่าไปหาสิ่งที่เป็นยาพิษมาให้กับจิตใจสิ่งที่เป็นยาพิษกับจิตใจก็คือการไปหาลูกเสียงกิ่นรสต่างๆมาเสกนั่นเอง เช่นการไปดูหนังฟังเพลงไปกินไปดื่มดื่มอาหารชนิดต่างๆให้กับทางร่างกายอันนี้ไม่ได้เป็นการให้อาหารกับจิตใจแต่เป็นการให้ยาพิษเพราะของเหล่านี้มันเป็นเหมือนยาเสพติดถ้าเสพแล้วมันจะติดมันจะทําให้ใจหิวอยู่เรื่อยๆเหมือนคนที่ติดติดยาเสพติดคนที่ติดยาเสพติดนี้จะต้องคอยเสพยาอยู่เรื่อย เวลาที่ไม่ได้เสพยาก็จะทุกข์ทรมานใจอย่างใดเวลาที่ใจมีความหิวอย่าเลี้ยงใจด้วยยาพิษด้วยยาเสพติดอย่าอย่าให้ใจอย่าพาใจไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสไปดูหนังฟังเพลงไปไปท่องไปเที่ยวไปตามสถานที่ไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเวลาใจหิวนี้เราต้องพาใจไปไปทำบุญกัน ไปทำบุญทำทานตอนการทำบุญทำทานนี่แหละเป็นอาหารเป็นปัจจัยสี่ของของจิตใจเวลาที่จิตใจได้ทำบุญแล้วจิตใจจะมีความรู้สึกอิ่มใจสบายใจจะไม่รู้สึกหิวไม่รู้สึกอยากได้อะไรอยากมีอะไรอยากดูอะไรอยากฟังอะไรอันนี่คือปัจจัยข้อที่หนึ่งปัจจัยสี่ข้อที่หนึ่งของจิตใจก็คืออาหาร เราควรจะทำบุญกันอยู่เรื่อยๆถ้าเป็นไปได้ทำบุญทุกวันเหมือนกับเลี้ยงร่างกายเราต้องกินอาหารให้ร่างกายทุกวันเราก็ควรที่จะให้อาหารกับจิตใจทุกวันการทำบุญทุกวันนี้เราก็สามารถทำได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีพระเดินผ่านบ้านเราก็ตามวิธีทำบุญนี้เราไม่จำเป็นจะต้องทำกับพระอย่างเดียวทำกับคนอื่นก็ได้ ทำกับบุคคลที่มีมพระคุณกับเราเช่นทำกับบิดามารดาของเราก็ได้บิดามารดาก็ถือว่าเป็นพระพรเป็นพระอาหารหันต์ของลูกๆเวลาที่ได้ทำบุญกับบิดามารดานีก็เหมือนกับได้ทำบุญกับพระอาหารหันต์เลยทำแล้วจะมีความสุขใจอิ่มใจนอกจากบิดามารดาแล้วเราก็ทำบุญกับคนใกล้ชิดเราก็ได้เรามี สามีมีภรรยาทำบุญกับสามีทำบุญกับภรรยาทำบุญกับบุตรทิดาคือต้องมีการให้ให้ความสุขกับผู้แล้วจะทำให้เรามีความสุขในตัวของเราถ้าเราอยากจะทำบุญกับพระแต่เราไม่ได้มาวัดนี้เราก็เอาเงินที่จะทำบุญใส่บาทนี้ใส่กระปุกไว้ก็ได้หากระปุกหรือหากระป๋ปองอะไรสักใบหนึ่ง แล้วก็บอกตัวเองว่าวันนี้ขอใส่บาทแล้ว เ, เงินที่จะไปซื้ออาหารใส่บาทนี้ใส่ไปในกระปุกนึืใส่ไปในกระป๋องอะไรก็ได้ข้อสําคัญก็คือเมื่อเราใส่ไปแล้วเราต้องถือว่าไม่ใช่เป็นเงินของเราแล้ว <Yeah. S 2> เป็นเงินทําบุญแล้วแล้วเรารอวันที่เรามีโอกาสไปวัดไปทําบุญเราก็เอาเงินที่เราใส่บาทนี้เอาไปทําบุญไปถวายวัด <Yeah. S 2> ก็เท่ากับเราได้ทําบุญทุกวัน ได้เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงจิตใจด้วยอาหารของจิตใจอาหารของจิตใจก็คือการทำบุญทำทานนี่เอง<ม>อันนี้มันจะทำให้จิตใจเรามีความสุขจะทำให้จิตใจไม่ค่อยหิวโหวยกับการไปหาความสุขจากรูปเสียงกิน่นรสจากลาบยศสรรเสริญต่างๆ<ม>จะทำให้เราอยู่แบบสมถะนักน้อยยินดีตามมีตามเกิดได้ นี่คือการให้อาหารกับจิตใจควรทำทุกวันเพราะว่ามันจะได้ติดเป็นนิสัยแล้วก็จะทำได้ง่ายเพราะเราทำทีเราไม่มากถ้าเราทำทุกวันถ้าเรารอนานานมาทำทีพอถึงเวลาจะทำบางทีอยากจะทำมากก็เสียดายเงินก็าอาจจะทาได้ไม่มากเท่ากับการที่เราทำทุกวันวันละเล็กวันละน้อย เพราะเมื่อปิดถึงปีหนึ่งเมื่อรวมกันแล้วมันก็จะเป็นมันก็จะได้เป็นจำนวนมากอันนี้ก็คือวิธีการเลี้ยงดูจิตใจด้วยด้วยทานด้วยการทำบุญทาทานเพื่อทำให้ใจของเรามีความสุขมีความอิ่มมีความพอนะการทำทานนี้ทำได้หลายรูปแบบด้วยกันนอกจากให้เงินทองแล้วเราก็ให้อย่างอื่นก็ได้ ถ้าเรามีอะไรที่จะให้ได้ให้ถ้าเราไม่มีเงินทองเรามีความรู้มีวิชาความรู้เราก็ให้วิชาความรู้กับผู้ที่เขาต้องการก็ได้เช่น<ม>เรารู้จักวิธีทํากับข้าวแล้วคนเขาอยากจะรู้วิธีทํากับข้าวว่าทําอย่างไรเราก็สอนของ<ม>โดยที่ไม่คิดเงินทอง<ม>เรารู้จักวิธีเย็บปักถักร้อยรู้จักวิธีทําอะไรต่างๆ รู้จักมีวิชาความรู้ทางไหนถ้ามีใครเขาอยากจะเรียนรู้มาขอให้เราช่วยสอนให้เราก็สอนเขาไปได้อันนี้ก็เป็นการทำบุญทำทานอีกรูปแบบหนึ่งเ<ฮ>ขาเรียกว่าทำททานด้วยด้ววิชาความรู้เรียกว่าวิทยาทานถ้าให้เข้าของเงินทองเ็าเรียกว่าวัตถุทานถ้ามีใครเขามาทาให้เรากโกรธแค้นโกรธเทืองเราก็ให้อภัยเขาไปเรียกว่าให้อภัยทาน เวลาเราให้อภัยเขาแล้วเขาก็มีความสุขเขารู้ว่าเขาจะไม่มีใครมาทำร้ายเขาแล้วเพราะเราไม่ไปเอาโทษเขาเราก็สบายใจเวลาเราให้อภัยใครได้แล้วใจเราก็จะสงบใจเราก็จะเย็นถ้าเราอาฆาตพยาบาทใจเราก็จะร้อนใจเราก็จะนอนไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับก <LS 1> าร<ห> ใ, ให้อภัยก็ได้ทำให้ใจเรามีความสงบ ทำให้ใจเรามีความเย็นมีความสุขนอกจากนั้นเราก็ยังให้ธรรมะก็ได้เช่นถ้าเราไปฟังเทศฟังธรรมที่ไหนแล้วธรรมะนี้เป็นธรรมะที่มีคุณมีค่าประโยชน์ทำให้ใจของเราหายเครียดได้เราก็แชร์ธรรมะนี้สมัยนี้เรามีมีการสื่อสารผ่านทางาทางแอปต่างๆทางมือถือ เราเห็นอ่านธรรมะหรือว่าได้ยินธรรมะว่าว่าเป็นธรรมะที่มีคุณค่าประโยชน์ทำให้คลายเครียดได้เราก็ส่งต่อให้คนอื่นได้อันนี้ก็เป็นการให้ธรรมะการกระทาเหล่านี้มันจะทำให้ใจเรามีความสุขนอกจากนั้นเรายังสามารถอุทิศเวลาของเราให้กับการทำคุณประโยชน์ให้กับผู้อื่นเช่นเราไปเป็นอาสาสมัครทาเป็นช่วยเหลือ ผู้โดยที่ไม่คิดเนทองไปทําคุณประโยชน์เช่นเวลามาวัดบางทีบางคนก็มาช่วยกันทําความสะอาดห้องน้ําอย่างนี้ทําความาสะอาดศาลามาช่วยกันล้างถ้วยล้างชางเวลาที่รับประทานอาหารกันเสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นการทําบุญทําทานอย่างหนึ่งทำบุญด้วยกําลังกายเราไม่มีเงินมีทองมากเราก็แต่เรามีกําลังกายเรามีเวลาว่างเราก็มาเป็นอาสาสมัคร มาทำคุณทําประโยชน์ให้แกบสาธารนณะมีเวลาใครเขาต้องการความช่วยเหลือเดือนร้อนเราก็มาช่วยเหลือกันอันนี้ก็เป็นเป็นวิธีทําบุญทําทางเช่นเดียวกันที่จะทําทให้ใจของเรานี้มีความสุขมีความอิ่มเอิบใจเป็นการให้อาหารกับใจในส่วนเรื่องของของอาหาร น, นี่คือวิธีที่จะทําทให้ใจมีความสุข ใจได้ทำคุณทำประโยชน์ให้กับผู้ไม mm hmm. ่ว่าจะเป็นการทำทานด้วยวัตถุทานด้วยวิทยาทานด้วยธรรมทานด้วยอภัยทานหรือด้วยการเป็นอาสาสมัคร mm hmm. รับใช้สังคม mm hmm. การกระทำเหล่านี้ mm hmm. เป็นการให้อาหารกับจิตใจ mm hmm. ทำให้ใจมีความอิ่มมีความสุขมีความพอแล้วใจจะไม่หิวโหยกับพวกสิ่งเสพติด เช่นลาบยศสารเสริญเช่นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะชนิดต่างๆนี่คือเรื่องของอาหารของใจคือการทําบุญทำทานด้วยวิธีการต่างๆส่วนเรื่องของเสื้อผ้าอภรรของใจนี่คืออะไรเสื้อผ้าอภร์ของใจก็คือศีลนี่เองศีลนี่ะจะเป็นเสื้อผ้าอภรรที่จะทําที่จะป้องกันภัยให้กับใจได้ถ้า ถ้ามีเสื้อผ้าพรถ้าใจมีเสื้อผ้าคอนคือมีศีลห้าอย่างเงี้ยใจก็จะป้องกันภัยที่จะมาลากลากใจให้ไปเป็นไปไปอยู่ในอบายได้อบายนี้จะไม่สามารถเข้ามาเข้ามาฉุดลากใจให้ไปเกิดไปอยู่ในอบายได้ถ้าใจมีศีลห้าใจรักษาศีลห้าได้คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปด ไม่ดื่มสุรายาเมาและอบายามุขเช่นเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนเที่ยวเตะเที่ยวตามบาตามผับนี้แล้วก็ความเกลียดคา้านการกระทําเหล่านี้จะเป็นภัยต่อจิตใจแต่ถ้ามีการรักษาศีลมีการละเว้นจากการเสพอบายามุขใจก็จะมีเครื่องป้องกันป้องกันภัยไม่ให้ใจตกไปในที่ต่ํา ไม่ให้ใจไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปตกนรกหรือไปเกิดเป็นเดรัจฉานได้นี่คือศีล น, นอกจากนั้นแล้วยังทําให้เป็นใจที่สวยงามเพราะใ จ, ใจที่มีศีลนี้มีความซื่อสัตย์สุจริตนี้จะเป็นใจที่มีคนรักคนชอบคนที่เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตนี้จะไม่มีใครรังเกียจไม่มีใครรังเกียจที่จะไม่คบค้าสมาคมด้วย อยู่กับคนที่มีศีลแล้วจะรู้สึกสบายใจนี่แหละความสวยงามของของใจอยู่ที่การมีศีลเพราะว่าเวลามีศีลแล้วจะทำให้คนอื่นเขารักเราขาชอบเราเพราะเราไม่ไปสร้างความเสียหายไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้นี่คือเสื้อผ้าพรถ้าเราอยากจะสวยงามอย่าไปสวยงามทางร่างกายสวยงามทางร่างกายเป็นความสวยงามปลอม ร่างกายสวยแต่ใจไม่สวยนี่เวลาใหม่ๆเจอกันใหม่ๆก็อาจจะไม่รู้ก็อาจจะคิดว่าถ้าร่างกายสวยใจต้องสวยด้วยแต่พอได้อยู่กันไปรู้จักกันไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวความไม่สวยงามของร่างกายโผล่มาก็จะทําให้คนเขาไม่มีความชื่นชมยินดีต่อไปถ้าอยู่ไปอยู่ไปแล้วปรากฏว่าไปลักขโมยของคนอื่นไปโกหกหลอกลวง ไปยุ่งกับสามีภรรยาของคนอื่นเข้าหรือไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถึงแม้น่างกายจะสวยงามก็ตามแต่ถ้าจิตใจไม่สวยงามแล้วจะไม่สามารถที่จะดึงดูดจิตใจของคนอื่นให้มีความชื่นชมยินดีได้เลยจะกลายเป็นคนที่ไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วย <c oughs> เวลาที่เราเลือกคนมาทำงานกับเรา <c oughs> เราก็ต้องดูว่าเขาเป็นคนชื่อสัตย์สุจริตรหรือเปล่า เขาเป็นคนขยันหรือเขเป็นคนขี้เกียจเขาดื่มสุรายาเมาหรือเปล่าเขาเล่นการพ น, นันหรือเปล่าอของเหล่านี้มันเป็นของไม่สวยงามของจิตใจเพราะเป็นของที่จะมาทําร้ายผู้อื่นได้คนที่เสพอบายามุกนะไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวก็จะต้องไปทำทำร้ายผู้อื่นไปโกหกหลอกลวงไปชอ่อโกงไปประพฤติผิดประเพณีกับสามีภรรยาของผู้อื่น หรือบางครัง้งบางคราวก็อาจจะถึงกับการท้าฟันกันก็ได้ถ้าคนไม่มีความสวยงามทางด้านจิตใจถึงแม้จะสวยงามทางร่างกายหน้าตาดีหรือว่ามีการไปทำเสริมความงามด้วยวิธีการต่างๆอย่างคนในสมัยนี้ลหลงไหลกันอยากจะสวยอยากจะงามกันเดีย๋ยวนี้มีสัญญกรรมตกแต่งใบหน้าตกแต่งอะไรต่างๆแต่มันเป็น เป็นความสวยงามแบบผิวเผินไม่ใช่เป็นความสวยงามที่แท้จริงถ้าจิตใจไม่สวยงามแล้วต่อให้เสริมความงามทางร่างกายให้สวยงามขนาดไหนก็ไม่เป็นบุคคลที่จะมีคนชื่นชมยินดีด้วยถ้ารู้จักถ้ารู้ใจว่าเป็นใจที่ไม่สวยงามแต่ถ้ามีร่างกายหน้าตาที่ไม่สวยงามแต่มีจิตใจที่สวยงามด้วยศีลธรรมนี่ จะเวลาคนเขาคบค้าสมาคมกับคนที่มีศีลธรรมนี้เขาจะไม่รังเกียจความไม่สวยงามทางร่างกายถ้าเขาเห็นความสวยงามทางด้านจิตใจ<ม>ก็ดูตัวอย่างอย่างาพระภิกษุนี้ท่านก็ไม่มีหน้าตาที่สวยงามท่านก็เป็นคนหัวโลนๆแล้วยิ่งเฉพาะคนแก่ๆหลวงปู่หลวงตานี่กับมีแฟนเยอะแยะมีญาติโยมมีม คนที่อยากจะเข้ากราบไหว้เข้าหาอยู่เรื่อยๆเพราะท่านไม่ได้สวยที่ร่างกายท่านสวยที่จิตใจจิตใจท่านมีความสวยท่านเป็นจิตใจที่มีศีลที่บริสุทธิ์แล้วเป็นจิตใจที่มีความเมตตามีความเมตตากรุณามุนิตาอุเบกขาอันนี้แหละคือความสวยงามของจิตใจต้องสวยด้วยศีลอย่าไปสวยด้วยเสื้อผ้าพรอย่าไปสวยด้วย การเสริมสวยความงามทางร่างกายอันนั้นไม่ใช่เป็นความสวยงามที่แท้จริงถ้าอยากจะให้คนเขารักเขาชอบเรานี้พยายามรักษาศีลไปพยายามประพฤตตนเองให้เป็นคนดีให้เป็นคนที่มีความเมตตากรุณามุนีตาอุเบขาแล้วไม่ว่าจะไปอยู่กับใครที่ไหนนี้จะมีแต่คนรักคนชอบไม่มีใครลังเกียนะนะงั้นศีลนี้มีคุณประโยชน์มากเป็น เป็นเหมือนเสื้อผ้าผ่อนที่ป้องกันภัยภัยก็คืออบายนี่เองถ้ามีศีแล้วจะอบายจะไม่สามารถมาดึงใจให้ไปเกิดในอบายได้ใจจะไม่ตกไปในอบายใจจะไม่ไปเป็นเดรัจฉานไม่ไปเป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นนกร ก, น, น, กนี่คือเครื่องป้องกันภัยของจิตใจคือสีแล้วก็เป็นเครื่องเสริมสวยความงามของจิตใจก็คือสีหนเหมือนกัน เพราใจที่มีศีนี้จะไมไ่ไปเบียดเบียนไม่ไปสร้างความเสียหายหเดือดร้อนให้กับผู้อืน่นจะทำให้ผู้อื่นเขามีความสุขเวลาที่อยู่ใกล้ด้วยเพราะว่ารู้สึกปลอดภัยจะเพราะว่าคนที่มีศีนี้จะไม่ไปทําร้ายผู้อืน่นไม่ว่าจะเป็นฆ่าเป็นการฆ่าก็ดีเป็นการลักทรัพย์ก็ดีเป็นการประพฤติผิดประเพณีก็ดีเป็นการพูดปดก็ดีเป็นการดื่มชุรายาเมางก็ดี จะไม่เกิดกับขึ้นกับคนที่มีศีลธรรมนี่แหละถ้าอยากจะสวยงามขอให้เรามาสวยงามด้วยศีลธรรมไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องความสวยงามทางร่างกายเพราะร่างกายนี้ต่อให้เสริมความงามไปได้ถ้าได้มากเท่าไหร่ก็ตามวันเวลามันก็จะต้องมันก็จะต้องมาทำลายความสวยงามของร่างกายไปจนได้ร่างกายเมื่ออายุมากขึ้นมากขึ้นรูปร่างหน้าตามันก็จะเริ่ม ความสวยงามก็จะเริ่มลดน้อยถอยลงไปตามการตามเวลาแต่ถ้ามีจิตใจที่สวยงามนี้ความสวยงามทางด้านจิตใจนี้ไม่มีวันเสื่อมตามการตามเวลากลับจะทําให้จิตใจสวยเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะคนรู้จักมากขึ้นรู้จักงานขึ้นว่าเป็นจิตใจที่ดีที่งามมันก็เลยทําให้เป็นจิตใจที่สวยงามไปตลอดเนี่ยนี่คือเรื่องของเสือ้อผ้าอภร์ของจิตใจ ที่จะทำที่จะป้องกันภัยให้กับจิตใจไม่ให้ไปเกิดในอบายแล้วก็ที่จะเสริมสวยความงามของจิตใจทำให้จิตใจเป็นจิตใจที่น่ารักน่าชื่นชมยินดีน่าคบค้าสมาคมด้วยปัจจัยข้อที่3ของจิตใจก็คือที่อยู่อาศัยของจิตใจจิตใจก็เหมือนกับร่างกายเวลาบางทีมีมีภัย ก็อยากจะหลบเข้าไปอยู่ที่ปลอดภัยเช่นเวลาไปหลับนอนร่างกายก็ต้องมีที่หลับนอนที่ปลอดภัยที่ไม่มีอะไรมาทำร้ายร่างกายได้จิตใจก็เหมือนกันจิตใจก็ต้องการที่ปลอดภัยที่ไม่มีอะไรมาที่ไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายให้กับจิตใจที่ปลอดภัยของจิตใจคืออะไร ก็คือสมาธินี่การเข้าสมาธินี้เป็นการเหมือนกับมันเข้าไปในบ้านเวลาหลบเข้าไปในบ้านแล้วภัยที่อยู่นอกบ้านก็ไม่สามารถตามเข้าไปได้เวลาใจอยู่ไม่ได้อยู่ในสมาธิบางทีใจก็ต้องมาเจอกับเรื่องราวต่างๆมาพบกับเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจต่างๆขึ้นมาได้ถ้ารู้จัก ถ้ารู้จักนั่งสมาธิทาใจให้สงบได้เวลามีเรื่องวุ่นวายเรื่องเครียดเียต่างๆก็สามารถหลบภัยเหล่านี้ได้ด้วยการเข้าไปในสมาธิเวลาใจเข้าไปในสมาธิแล้วเรื่องเรื่องเครียดต่างๆก็จะไม่เข้าตามเข้ามาในใจเพราะเวลาใจสงบนี้ใจจะอยู่กับความว่างเหมือนกับเวลาที่ร่างกายอยู่ในบ้านก็จะไม่มีเหตุการณ์ภายนอกเข้ามา มาทำร้ายร่างกายได้อย่างนั้นถ้าเราอยากจะมีที่หลบแดดหลบภายมีที่อยู่อาศัยเราก็ต้องมีสมาธิกันเราก็จำเป็นที่จะต้องสร้างบ้านทางใจกันสมาธินี้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เองมันเหมือนกับบ้านบ้านมันก็ต้องสร้างกันสมมติเวลาเราไม่มีบ้านเราอยากจะมีบ้านเราก็ต้องไปจ้างช่างก็มาจ้างเอาเงินไปให้เขาซื้อ วัสดุก่อสร้างต่างๆมาสร้างบ้านมาซื้ออิฐซื้อปูนซื้อไม้ซื้อเหล็กซื้ออะไรต่างๆมาเพื่อที่จะได้มาสร้างบ้านขึ้นมาให้เราอยู่กันใจของเราก็เหมือนกันใจของเราต้องการมีบ้านเราก็ต้องสร้างบ้านของเราขึ้นมาเองเพราะไม่มีใครสร้างบ้านบ้านในใจของเราได้นอกจากเราเองแต่เราสามารถอาศัยความรู้ของคนอื่นได้โดยความรู้จากพระพุทธเจ้า ถ้าเราอยากจะรู้วิธีสร้างบ้านในใจว่าสร้างอย่างไงเราก็เรียนรู้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะสอนว่าวิธีสร้างบ้านคือวัสดุที่เราจะต้องใช้ในการก่อสร้างบ้านในใจก็คือสตินี่เองถ้าเรามีสตินี้เราก็จะสามารถสร้างบ้านในบ้านของใจได้ให้เราหมั่นฝึกสติจเจริญสติอยู่เรื่อย การมีสตินี้เพื่อเป็นการควบคุมความคิดหยุดความคิดนั่นเองเพราะว่าใจของเรานี้จะนิ่งจะสงบจะเข้าไปในบ้านได้จะมีบ้านขึ้นมาได้นี้ต้องเกิดจากการที่ใจหยุดคิดถ้าใจไม่หยุดคิดนี้ใจจะไม่มีบ้านบ้านจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราหยุดความคิดต่างๆดังั้นเราต้องฝึกสติคอยหยุดความคิดตั้งแต่ที่เราเริ่มตื่นขึ้นมาเลย ไม่ใช่มานั่งเจริญสติตอนเฉพาะตอนที่เรามานั่งสมาธิเท่านั้นเพราะว่ามันจะมีกำลังไม่พอสติจะต้องมีกำลังมากๆก่กอนที่เราจะมานั่งสมาธิได้และการที่จะมีกำลังมากในการในการนั่งสมาธิเราก็ต้องฝึกสติก่อนที่เรามานั่งกันเราต้องฝึกสติทั้งวันทั้งคืนถ้าเรา ถ้าเราอยากจะสร้างบ้านบางทีเราต้องหยุดการทำภารกิจต่างๆให้หมดเลยเพราะถ้าเรายังต้องไปทำภารกิจทำงานต่างๆนี้เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาสร้างบ้านได้อย่างเต็มที่นั่นเองเราจะไม่มีเวลาที่จะมาเจริญสติได้อย่างตลอดเวลาดัางนั้นคนที่อยากจะสร้างบ้านทางจิตใจคือสร้างสมาธิขึ้นมานี้มักจะไปอยู่แบบทั้งบวชกันมักจะไปปีกวิเวกไปหาสถานที่สงบ ที่ไม่มาสร้างความคิดต่างๆให้กับใจเวลาเวลาอยู่กับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้เวลาอยู่ใกล้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้มันมักจะมากระตุ้นความคิดของใจให้คิดอยู่เรื่อยๆถ้าไม่อยากจะให้มีอะไรมากระตุ้นความคิดก็ต้องไปปีกวิเวกไปอยู่ตามสถานที่สงบสงัดต้องกายวิเวกก่อนใจถึงจะวิเวกได้ กายต้องสงบก่อนแล้วใจถึงจะสงบตามได้ต้องไปหาสถานที่ที่สงบสลัดวิเวกแล้วมันเจริญสติทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็คอยควบคุมความคิดอยู่ความคิดด้วยการใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปตื่นขึ้นมาก็พุทโธลุกขึ้นยืนก็พุทโธเดินไปก็พุทโธอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก็พุทโธพุทโธ แต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธรับประทานอาหารก็พุโทโธทําความสะอาดบ้านกับพุโทโธหรือทำตาทําความสะอาดสถานที่ที่ปฏิบัติก็พุโทโธพุโทโธไปแล้วก็พอมีเวลาก็มานั่งนั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกหรือนั่งพุโทโธต่อไปก็ได้เนี่ยถ้ามีการทําสติมาก่อนที่มานั่งเนี่ยใจจะไม่คิดมากและเวลานั่งก็จะสงบได้ง่ายสงบได้เร็ว ถ้าไม่มีการจเจริญสติไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วพอจะมานั่งนี่มันนั่งแล้วใจมันจะฟุ้งเพราะใจมันไม่ได้หยุดคิดมา่ก่อนมันคิดมาตลอดเวลาแล้วอยู่ดีๆจะมาให้มันพุโทโธอยู่กับพุโทโธมันอยู่ไม่ได้อยู่ได้คำสองคาแล้วเดี๋ยวมันก็แวบไปคิดเรื่องนั้นคิดไปแวบไปคิดเรื่องนี้เมื่อคิดแล้วก็ทําให้เกิดความวุ่นวายใจใเกิดความทุกข์ใจตามมาทําให้ใจไม่มี ใจไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้ไม่สามารถเข้าบ้านสร้างบ้านของตนเองได้ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้น <Yeah. S 1> การเจริญสตินี้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะฝึกสมาธิ <Yeah. S 1> ผู้ที่ต้องการจะมีบ้านที่หลบภัยห ล, ลบความหลบจากเรื่องวุ่นวายต่างๆที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกาย <Yeah. S 1> เราต้องสารวมปิดตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วก็ใช้สติคอยควบคุมคอยหยุดความคิดที come, ่ยังคิดอยู่ให้มันหยุดคิดให้ได้ถ้ามันหยุดคิดได้เมื่อไหร่ใจก็จะนิ่งสงบเป็นความสงบขึ้นมาเป็นความว่างขึ้นมาไปดูเบรคขาขึ้นมาอันนั้นแหละคือบ้านของใจเป็นความสุขขึ้นมาความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่เราได้จากสมาธินี้ เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่เราจะได้จากการเสพลาบยศสรรเสริญเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดเพาะอันนี้คือบ้านของเราบ้านของใจถ้าเราต้องการที่จะหลบและหลบภัยต่างๆเวลาที่มีความเครียดมีความวุ่นวายใจต่างๆนี้เราก็เข้าไปในบ้านแต่การเข้าไปในบ้านนี้ก็เป็นการหลบภัยชั่วคราวเท่านั้นเองเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องออกมา เกี่ยวกับความวุ่นวายใจต่อไปถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาเรื่องของความวุ่นวายใจจากการที่เราได้ไปสัมผัสรับรู้เรื่องราวต่างๆเราก็ต้องมียาเราต้องมีปัญญายาปัญญานี้คือเหมือนยาเรื่องความวุ่นวายใจต่างๆนี้เป็นเหมือนโรคโรคภัยของจิตใจถ้าเราต้องการที่จะใช้ยามารักษา ความเครยียดความวุ่นวายใจนี่เราต้องใช้ธรรมโอสถใช้ยายาที่เป็นธรรมโอสถนี้ก็เรียกว่าปัญญาปัญญาก็คือความรู้ในอริยสัจสี่และความรู้ในไตรลักษณ์นีเ่เราต้องศึกษาอริยสัจสี่ว่าความทุกข์ความเครยียดของเราเกิดจากอะไรเกิดจากเกิดจากความอยากต่างๆ แล้วการที่เราจะทำให้ความทุกข์ความเครียดหายไปต้องทำยังไงเราก็ต้องละความอยากให้ได้ละอะไรที่จะทำให้เราละาความอยากได้สิ่งที่จะทำให้เราละาความอยากได้ก็คือความรู้ของตายลักนี่เองความรู้ว่าสิ่งที่เราอยากนี้เป็นอนจิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่นอนเป็นของที่เกิดแล้วก็ดับได้มาแล้วก็ไปได้ ไม่ถาวรไม่อยู่กับเราไปตลอดไม่ได้เป็นของเราเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับมันได้มันเป็นอนัตตามันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มาแล้วก็ไปเหมือนลมพัดเหมือนแดดออกบางทีลมก็พัดบางทีลมก็หยุดพัดแดดบางทีก็ออกแดดบางทีก็ไม่ออกฝนบางทีก็ตกปรากฏการณ์ต่างๆก็เป็นเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลิตัณไม่ว่าจะเป็นลาภยศสรรเสริญสุขไม่ว่าจะเป็นบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจเอ่ยเป็นอะไรเอ่ยทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นเครื่องที่มีการแปรปรวนไปเรื่อยๆมีการเ ป, ปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่มีอะไรที่เท่งแท้แน่นอนถ้าเราไปฝูกขูกความหวังไว้กับสิ่งเหล่านี้มันก็จะทาให้ใจเราเครียด เพราะว่ามันจะไม่ได้เป็นไปตามความต้องการเราเสมอไปถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะเครียดเราก็ต้องยอมปล่อ ย, ยอมรับกับสภาพที่แปรปรวนที่เปลี่ยนแปลงมีได้ก็ต้องมีเสียมีเกิดก็ต้องมีดับเช่นร่างกายของเรามีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บน้ามีตายเป็นธรรมดาไม่มีใครล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้ไม่ไปไม่ได้ ถ้าเราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายอันนี้ก็จะทำให้เราเกิดความเครียดขึ้นมาเพราะความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายนี้เป็นปัญหาชนิดหนึ่งเป็นความอยากชนิดหนึ่งถ้าเราไม่ต้องการที่จะทุกข์เราก็ต้องอย่าไปเกิดความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายต้องยอมรับความแก่ยอมรับความเจ็บยอมรับความตายเพราะว่ามันเป็นอนัตตาร่างกายมันเป็นอนัตตาเราไม่สามารถไป สั่งมันได้ไปควบคุมมันได้ไปห้ามมันได้เพราะมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่เป็นตัวเราของเรามันเป็นของธรรมชาติมันเป็นธรรของดินน้ำลมไฟที่มารวมตัวกันแล้วไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องมีการแยกออกจากกันนี่คือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนัตตาเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่เราจะไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้เวลาที่เราอยากแล้วเราไม่ได้เราก็จะเครียดเราก็จะทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นมองทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสริญไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผดถภาชนิดต่างๆที่เรามาสัมผัสเราได้ความสุขจากมันแล้วเดี๋ยวความสุขนั้นก็หมดไปเวลารูปเสียงกลิ่นรสเหล่านั้นมันเปลี่ยนไปเริ่มหมดไป ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องมีการเสื่อมมีการหมดเพราะมันเป็นอนิจจังมันเป็นกฎของตายรักษอนิจจังทุกขังอนัตตาให้มองให้เห็นกฎตายรักษในทุกสิ่งทุกอย่างแล้วใจของเราจะได้ลดจะได้ละความอยากได้ในสิ่งต่างๆได้ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นตายักแล้วาละความอยากต่างๆได้ใจเราก็จะหายทุกข์หายเครียด น, นี่คือการใช้ยาของใจคือธรรมโอสถ ธรรมเอาจรก็คือปัญญานี่เองปัญญาคือการเห็นเห็นอริยสัจ ส, สี่เห็นใจรักในสภาวธรรมทั้งปวงพอเราเห็นว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เราไม่ไปยุ่งกับมันเราไม่มีความอยากกับมันมันก็มันจะมันก็จะไม่ทําให้เราเครียดถ้าเราไม่มีความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเราจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย ความความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์ตัวที่ทำให้ใจเราทุกข์ก็คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้าเราเห็นโทษของความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายว่าเป็นตัวทำความเครียดทำความทุกข์ให้กับใจเราก็หยุดมันเราก็อย่าไปอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายปล่อยให้ร่างกายมันแก่ปล่อยให้ร่างกายมันเจ็บปล่อยให้ร่างกายมันตายไปตามเรื่องของมัน ใจของเราก็จะไม่ทุกข์อันนี้คือปัญญาเป็น ญ, ญาที่จะรักษาใจให้หายจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงถ้ามีปัญญาถ้าเข้าใจหลักของอริยาาสัจสีเข้าใจหลักของตายรักล้วใจจะปล่อยวางทุกอย่างใจจะปล่อยวางเพราะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติสัพเพธรรมาอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวตนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของธรรมชาติทั้งนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างมีมีเกิดมีดับมีมามีไปมีเจริญมีเสือ่อมเป็นเรื่องของปกติของสภาวะธรรมของทางธรรมชาติเช่นเสียงลมพัดนี้เดี๋ยวมันก็หยุดพัดแล้วเดี๋ยวมันก็พัดใหม่แดดเดี๋ยวมันก็ออกเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ล่มมันเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์ตามปัจจัยต่างๆที่ไม่มีใครสามารถที่จะไปสั่งไปห้ามมันได้แต่เราสามารถอยู่กับมันได้โดยไม่ทุกข์ ถ้าเราไม่มีความอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นี่คือยารักษาโลกทางใจเรียกว่าปัญญาปัญญานี้จะใช้ปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพนี้ตามจาเป็นจะต้องมีสมาธิก่อนมีอุเบกขาก่อนถ้าเรายังไม่มีสมาธินี้เวลาที่จะใช้ปัญญานี้ใจของเราจะหยุดความอยากไม่ได้ ถึงแม้จะรู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์ใจก็คือความอยากแต่ใจของเราจะไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากได้เพราะใจของเราไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขา<ม>เราจำเป็นจะต้องฝึกสมาธิให้ได้ก่อนแล้วเราถึงค่อยมาจเจริญทางด้านปัญญาจเจริญทาง อ, อ, อริยสัจสีเจริญทางไปรลักษณ์<ม><ม>ถ้าเรามีสมาธิมีอุเบกขาแล้วพอเราเห็นด้วยปัญญาว่าทุกข์เกิดจากความอยาก อยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้อยากในสิ่งที่เป็นเป็นตายรักเนยเราก็หยุดความอยากเสีย <tit window S 3> เพราะว่าแลาทำยังไงเราก็ห้ามไม่ให้ร่างกายมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้แต่อยากหรือไม่อยากร่างกายมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ดีแต่ถ้าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็ไปสร้างความทุกข์ให้กับใจแต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความทุกข์ในใจก็จะไม่เกิด แต่ความแก่ความเจ็บความตายมันก็มันก็เป็นของมันไปตามตามวาระกของมันไม่มีใครไปยับยั้งมันได้สิ่งที่เรายับยั้งได้ก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้เท่านั้นนี่คือหลักของปัญญาคือต้องเข้าใจหลักของตายรักษอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเข้าใจหลักของอริยสัจสี่ว่าความทุก Hag Hag Hag. ข์ความเครียดเกิดจากความอยากการยี่จะทําให้ความทุกข์ความเครียดหมดไป ก็คือต้องละความอยากแลนะสิ่งที่จะละความอยากได้ก็คือการเข้าใจหลักของไตรลักษณ์เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตานั่นเองนะนี่แหละคือเรื่องของปัญญาเป็นปัจจัยข้อที่สี่ที่สำคัญที่สุดของของใจเพราะว่าถ้ามีปัญญาแล้วใจก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปไม่ว่าจะอยู่กับอะไรเหตุการณ์อะไรก็ตามร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่ทุกข์ ร่างกายชีวิตคือสถานภาพทางด้านการเงินการทองอาจจะล่มสลายกลายเป็นคนล้มละลายไปก็ไม่ทุกข์เพราถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามีราบก็เสื่อมราบได้จากการที่มีตําแหน่งมีเยอะแต่ไถูกปลดออกให้กลายเป็นคนธรรมดาก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเพราะเข้าใจหลักของไตรลักษณ์ว่ามีเจริญมีเสื่อมมีเจริญราบได้ก็เสื่อมราบได้เวลาถูกคนเข้าตําหนินินทา ก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเพราะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ในโลกที่มีสรรเสริญก็ต้องมีนินทาเป็นธรรมดาเวลาสูญเสียความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามีมีสุขก็ต้องมีทุกข์สลับกันไปเพราะนี่คือโลกของอ น, นิจจังโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงโลกที่มีการสลับขั้วจากสุขก็กลายเป็นทุกข์จากเจริญก็กลายเป็นเสื่อม แต่ใจที่มีปัญญาจะไม่รู้สึกวุ่นวายไม่รู้สึกเดือดร้อนจะอยู่กับภาวะต่างๆเหล่า น, นี้ได้อย่างสบายใจ<ม>นี่คือเรื่องของปัจจัยสี่ของจิตใจถ้าอยากจะให้จิตใจอยู่อย่างสุขสบายใจก็ต้องมีปัจจัยสี่มีอาหารคือการทำบุญทำทานมีเครื่องนุ่งหม่มคือมีการรักษาสี่งมีการละเว้นจากการเสพอบายามุข แล้วก็ถ้าอยากจะมีบ้านที่หลอดภัยก็ต้องมีสมาธิแล้วถ้าอยากจะกาจัดความทุกข์ความเครียดให้หมดไปจากใจก็ต้องมีปัญญาถ้ามีปัจจัยสี่แล้วทางใจแล้วใจก็จะไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขไปตลอดเช่นเดียวกับร่างกายถ้าร่างกายมีปัจจัยสี่ร่างกายก็จะไม่เดือดร้อนร่างกายก็จะอยู่ไปตามวัยของมันตา ม, ตามสภาพของมันอยู่ไปจนถึงวันตาย นี่คือวิธีการอยู่แบบสุขกายสบายใจของพระพุทธเจ้าที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาาวเรวะหาปูราปาวิโพเลนติสาคลังเอวามีวาอิโตทินังเตตานาังอุปกัปฏิ เอชีตังปาชตังตุมหังเิปะเมวะสะมิจโตสะเพปุเรนโตสังกปะจันโทปนะระโสยธานันิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตรายุสุขีติขายุโกภวะ อาพิวาทนสีลิกษานิจังวุธาปจายโนจตาโรธมรวาทานติอายุวันโสุขังภาลา <Bye. S 1> ช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เป็นช่วงที่สะดวกที่สุด ก็หลังจากที่เราเลิกแล้วจะไม่สะดวกที่จะตอบคำถามงั้นใครอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถามเองก็ได้หรือเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้ามีมือถือส่งเข้ามาทางเพจก็ได้ YouTube ก็ได้วันนี้มีผู้ติดตาม เ, เท่าไหร่กรรมธรรมสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มีผู้รับชมทาง Facebook พระอาจารย์ 514ท่าน YouTube 310ท่านทาง Dr. V Channel 74ท่านวิทยุออนไลน์6ท่านคราฟเาว12นากุติ121ท่านรวมทั้งหมดเป็น 1,037 ท่านเจ้าค่ ะ, ะถ้ามีคำถามก็อ่านได้เลยมีคำถามฝากถามจากนากุติเจ้าค่ะมี2ข้อข้อที่1กิเลส ต, ติดเกมละอย่างไรครับ นลกมันสิอย่าไปเล่นมันอย่าไปมืมถืออย่าไปมีเครื่องเล่นมันก็เล่นไม่ได้ต้องเห็นว่ามันเป็นโทษมันเล่นแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรเสียเวลาเเวลาเป็นนุ้ยยาเสพติดต้องเห็นโทษของมันว่ามันไม่เป็นประโยชน์กับเรามันจะทำให้เรากลายเป็นคนไม่มีคุณค่าราคาเพราะไม่มีเวลาไปทำสิ่งที่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์ คำถามข้อที่สองจะละความคิดฟุ้งซ่านได้อย่างไรครับต้องใช้สติใช้พุโทโธพุโทโธมันขยันพุโทโธพุโทโธตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปอาบน้ำอาบน้ำล้างหน้าแลปลงควันอาบแต่งเนื้อแต่งตัวกินอาหารก็พุโทโธไปเรื่อยๆอ้าทำให้เป็นนิสยัยแล้วต่อไปมันก็จะไม่ค่อยคิดฟุ้งซ่านเท่าไหร่มีคาถามฝากถามเจ้าค่ะ กราบนวัศการเรียนถามพระอาจารย์ค่ะจริงหรือไม่คะที่ว่าอาชีพนักร้องนักดนตรีเมื่อตายไปแล้วจะตกนรกผู้ใหญ่ที่บ้านดิฉันสอนมาแบบนี้กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะไม่จริงหรอกการจะไปต ก, กนรกนี่ต้องทำบาปต้องฆ่าสัตว์ลักษรัพย์ประพฤติผิดประเพณีพูดปดเหลือบสลายเามามแต่พวกทาอาชีพอย่างนี้มักจะอยู่ใกล้ของพวกนี้ พวกที่ร้องนาทําเพลงมักจะอยู่ตามบาร์ตามผับกันเดี๋ยวก็เขามีคนเก็บพามาชวนให้ดื่มสุรากันเดี๋ยวกเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาก็ไปประพฤติผิดประเทมี ก, กันไปทําบาปไปมีการโกงกันมีการหลอกลวงกันได้ดังนั้นอาชีพแบบนี้มันมันทำให้เราอยู่ใกล้กับการกระทําบาปโอกาสที่จะไป อบายไปตกนรกมันมีมากกว่าอาชีพ ท, ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องไม่อยู่ใกล้สุราเช่น ท, ทำงานตามโรงพยาบาลตามโรงเรียนนี่มันไม่มีสุราไม่มีอะไรมารล่อใจเรา คำถามต่อไปจากคุณศิวการการที่เรารู้สึกผิดกับบุคคลแต่เราอยากขอโทษแต่เราไม่กล้าหรือไม่มีโอกาสพบหน้าเราอธิษฐานจิตไปได้ไหมครับรวมถึงการกล่าวขอโทษแบบเผชิญหน้าหรือส่งข้อความไปในทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแต่เขาไม่ให้อภัยเราเราต้องติดเวรกรรกันไปไหมครับคือการขออภัยนี้เพื่อให้เราสบายใจ ว่าแหลงน้อยเราสำนึกผิดแล้วเราจะพยายามไม่ทำใหม่ส่วนเขาจะให้อภัยเราหรือไม่นี่เราไปบังคับเขาไม่ได้<ม>ถ้าเขาไม่ให้อภัยก็เราก็ต้องรอรับผลของการกระทำของเราไปยอมยอมรับโทษยอมให้เขามาล้างแค้นเราคมถามจากคุณกุศลดอนสิงเพิ่มบรรดากระผมเสียกลับไปดูท่าน กลับไปไม่ทันดูใจมารดาตอนนี้ผมทุกใจมากผมควรทําอย่างไรครับนอกจากการทําบุญไปให้ท่านครับก็ทําใจว่ามันมันไปไม่ได้ก็ไปไม่ได้มันเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วเราไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงมาได้แล้วก็ทําใจว่าเราผิดพลาดไปเราประมาทเราไม่รีบไปเสียใจน่นนีๆก็ผื่คราวหน้าจะได้ไม่ไม่ประมาท เกิดมีใครใกล้ตัวเราจะตายเราจะได้รีบไปอยู่ใกล้เขาก่อนแต่อดีตมันผ่านไปแล้วเราไปเปลี่ยนมันไม่ได้ให้ให้อาดีตมาเป็นเป็นเหมืนอนบทเรียนสอนเราไม่ให้เราทําผิดพลาดซ้ำซากคํำถามต่อไปจากคุณแจนกราบนรรสการหลวงพ่อด้วยความเคารพค่ะหนูชอบให้อาหารแมวจอนจัด ชอบบริจาคช่วยเหลือหมาแมวจรจัดค่ะแล้วมีคนมาพูดกับหนูว่าการทําบุญแบบนี้เป็นการทําบุญที่ไม่ฉลาดทํากับหมากับแมวร้อยครั้งหนึ่งพันครั้งก็ได้บุญไม่เท่ากับทําบุญให้ทานกับคนทั่วไปหนึ่งครั้งมันจริงไหมเจ้าค่ะไม่จริงหรอกทําบุญให้กับหมาทําให้กับคนถ้าเงินเท่ากันก็ได้บุญเท่ากัน เป็นทำบุญร้อยบาทเอาเงินบุญเงินร้อยบาทไปใส่บาทแล้วเอาเงินร้อยบาทไปซื้อข้าวหมาให้ให้หมากินแมวกินบุญที่เราทําได้เท่ากันเพราะมันเป็นเรื่องของการเสียสละเงินทองของเรามไม่เกี่ยวกับผู้รับผู้รับนี้ไม่ทําให้เราได้บุญมากขึ้นหรือน้อยลงนอกจากว่าผู้รับเขาจะให้เราตอบแทนเรามาอันนี้เป็นเป็นเรื่องตอบแทนเป็นคนละเรื่องกัน เช่นถ้าเราไปทำบุญกับคนคนก็อาจจะมาช่วยเราเวลาที่เราเดือดร้อนถ้าเราไปทำบุญกับหมาหมาก็มาช่วยเราเหมือนกันมันก็ช่วยเหลือต่างกันความสามารถในการช่วยเหลืออาจจะต่างกันคนก็อาจจะช่วยเหลือเราได้มากกว่าหมาก็ได้อันนี้อันนี้เป็นเรื่องผลตอบแทนไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องบุญที่เราทำบุญที่เราทำถ้าเราทำร้อยบาทกับคนนั้นกับคนนี้บุญก็ได้เท่ากัน คำถามจากคุณสายพินสายสุธีต้องทำบุญอย่างไรให้กับคนที่ฆ่าตัวตายเขาถึงจะได้รับบุญค้ากลับนวัตการค่ะส่วนใหญ่คนที่ฆ่าตัวตายนี้มักจะไปนรกกันก่อนช่วงนั้นเขาก็จะไม่ได้รับบุญเหมือนไปติดทุกติดตารางต้องรอให้เขาออกจากนรกก่อนนำมาเป็นขอทานเหมือนคนที่ออกจากคุกออกจากคุกมาก็ไม่มีเงิน่มีทองก็อาจจะไปหาญาติพี่น้องไปขอเงินขอทอง เราอให้เขาออกจากนรกก่อนแล้วให้เข้ามาเข้าฝันเร า, าพี่ตอนนี้ได้ออกจากนรกแล้วตอนนี้กําลังเป็นดวงวิญญาณเร่อน่อนช่วยส่งบุญมาให้หน่อยเราก็ทําบุญส่งไปแล้วเราจะส่งไปโลกหน้าก่อนก็ได้หรออันนี้ทําบุญไว้ให้กับเธอนาะเวลาเธอออกมาจากนรกก็มารับไปได้คําถามจากคนขวัญข้าวกรณีคนมีแฟนแล้ว หรือมีครอบครัวมีลูกมีสามีมีภรรยาแล้วก็ตามแล้วเขาคุยกับคนอื่นจะเป็นทางโทรศัพท์หรือทางไลน์หรือทางเฟซก็ดีอย่างนี้เขาจะบาปไหมคะมีแฟนแล้วไปคุยกับผู้หญิงคนไปคุยกับคนอื่นนะก็แล้วแต่คุยเรื่องอะไรถ้าคุยโทระก็คุยได้เราเรามีโทระขายประกันภัยนี่ล้วก็ไปขายกับคนนั้นคนนี้ได้ แต่เรามีเามีครอบครัวแล้วก็ไม่ได้ห้ามให้เราไปคุยกับคนนั้นคนนี้ถ้าคุยเรื่องเรื่องเรื่องธุรกฤฤิจก็ไม่เป็นไรถ้าไปคุยเรื่องชู้สาวก็ไม่ควรถ้าเราเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วเพราะมันจะนําพาไปสู่การประพฤติผิดประเพณีได้คําถามจากคุณ น, นันทภักดบเรียนสอบถามค่ะหากเราต้องหยุดการตั้งคันเนื่องจาก เหตุทางการแพทย์ว่าเด็กไม่สมบูรณ์จะผิดศีลละบาปไหมคะบาปก็ไปฆ่าเขานะ่ะก็ปล่อยเอากเกิดออกมาสิแล้นเขามีชีวิตอยู่ก็เมื่อเราเราสร้างเขาขึ้นมาแล้วเราไปฆ่าเขาเราก็บาปคำถามจากคุณประชาขอกราบเรียนสอบถามพระอาจารย์ครับ เวลาเราเดินจงกรมเราควรดูกายที่เดินหรือดูลมหายใจหรือภาวนาพุทโธครับเวลาเดินนี้จะดูลมยากยานีนให้ใช้ภาวนาพุทโธไปหรือดูเท้าที่เรากำลังเดินอยู่ก็ได้คำถามจากคุณจิตสุดาจิตของผู้มีฤทธิ์บุญฤทธิ์เช่นพระพุทธเจ้าท้าแผ่เมตตาอุทิศ โปรดคนที่ละไกเนื้อไปในโลกทิพย์เช่นเทวดาเขาจะได้รับไหมคะไม่ได้หลอกบุญอุทิศส่วนใหญ่บุญได้นิดเดียวนะันบุญอุทิศจะให้เปิดพวกที่เขาเป็นดวงวิญญาณที่เระล่อนส่วนที่มีฤทธิ์มีเดชมันไม่เกี่ยว ก, การแบ่งบุญให้กับใครบุญนี้ส่วนใหญ่ต้องเป็นของใครของมันบุญที่อุทิศนี้มันเป็นบุญที่เหมือนกับเงินที่เราให้ขอทานนัแบ่งไปได้นิดเดียว ยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะโอเคไม่มีคำถามก็เอาท่านนี้ก่อนนะอากาศมันร้อนกลับบ้านกันดีกว่าก็ <c oughs> <c oughs> าขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธ อ, อ